เดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนั่งนั่งพับเพียร ก, ก็ได้ไม่ต้องนั่งคุกเก่าเดี๋ยวเมื่อยอพับเพียร์คุกเก่าไว้เวลากาบับพระมันมีมงคลอยู่สองอย่างมงคลอย่างหนึ่งเรียกว่าทํา ธรรมะธรรมะการฟังธรรมธรรมะสภาวังเอตามังกลมุตตะังการฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งส่วนอีกอันหนึ่งเรียกว่าธรรมสากัชช้าเอตามังกลมุตตะังธรรมสากัชช้าแปลว่าการสนทนาถามถามตอบกัน เพราะการแสดงธรรมนี้มันเป็นเป็นวันเวมีคนพูดกับมีคนฟังมีคนพูดอาจจะพูดไม่ชัดเจนคนฟังอาจจะไม่เข้าใจก็ต้องมีธรรมสากัดชาคือมีการถามตอบ ก, กันฟังเทศไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็เลยต้องถามกัน อย่างคำถามที่เห็นถามบ่อยๆที่ยังไม่ได้ตอบก็คื อ, อปฏิจจส ม, มุปบาทอันนี้จะลองตอบดูหน่อยมีเวลาว่างปฏิจจส ม, มุปบาทนี้ท่านแสดงการาการทำงานของกิเลสของอวิชาอาวิชชานี้คือกิเลสที่เป็นหัวหน้าของกิเลส ความโลความโกรธความหลงความอยากนี่ออกมาจากอาวิชชาอาวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนก็เลยหลงไปคิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่ข้างนอกใจอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสอวิชชาก็เลยปัจจัย เพราะว่าปัจจัยก็คือกระตุ้นกระตุ้นให้สังขารความคิดปรุงแต่งคิดไปในทางไปหารูปเสียงกิ่นรถเนี่ยจะไปหารูปเสียงกิ่นรสได้ก็ต้องผ่านวิญญาณวิญญาณนี่จะเป็นผู้ส่งส่งจิตไปเชื่อมกับตาหูจมูกนิ้นกายจิตนี้เป็นเหมือนคน<ม>เหมือนคนคนหนึ่ง นีจิตนี้จะจะหารูปเสียงกิดลดได้เนี่ยจะต้องใช้ร่างกายจิตก็เลยไปเชื่อมเอาวิญญาณนี้เป็นตัวเชื่อมกับร่างกายเชื่อมทางตาหูจมูกนิ้นกายวิญญาณที่ไปเชื่อมกับตาเราก็เรียกว่ า, าสโสตะอาจักขุจักขุวิญญาณ วิญญาณที่ไปเชื่อมกับหูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณเป็นต้นเมื่อจิตทรงวิจิตได้ไปเชื่อมกับร่างกายเชื่อมกับตาหูจ ม, มูกลิ้นกายแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสได้นี่คืออวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขาราปัจจะยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจะยา อายตนะอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อไปเชื่อมกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเมื่อเชื่อมกันก็มีการสัมผัสตาสัมผัสกับรูปหูสัมผัสกับเสียงอพอสัมผัสกันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเห็นรูปก็จะเกิด เวทนาความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเห็นรูปดีก็เกิดความสุขเวทนาเห็นรูปไม่ดีก็เกิดความทุกขเวทนาเห็นได้ยินเสียงนมกิ่นเน่ยทั้งหมดนี่ห้าตัวนี่พอมาสัมผัสแล้วก็จะเกิดความรู้สึกที่ใจขึ้นมาเวลาเราเห็นอะไรที่เราชอบเราก็มีความสุข นอะไรที่เราไม่ชอบเราก็มีความทุกข์วเวลาได้ยินเสียงที่ดีเราก็มีความสุขได้ยินเสียงไม่ดีเสียงเดงเสียงดังกระทึ ก, กครกอครงโดกคูอันนี้ก็เสียงไม่ดีก็เกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาเมื่อเกิดความรู้สึกเกิดเวทนาแล้วก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมา ถ้าเห็นเห็นรูปที่ที่ดีที่ชอบก็อยากให้รูปนั้นอยู่ไปนานๆถ้าเห็นรูปที่ไม่ดีที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอเกิดเวทนาแล้วมันก็จะเกิดอ่ะเกิดตัณหาแล้วก็จะเกิดอุปทานเกิดความยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบอเกิดความยึดมั่น คามรังเกียจในรูปเสียงกลิ่นนอสที่ไม่ชอบก็ทําให้เราต้องไปตามติดกับรูปเสีเศศยงกลิ่นนอสเกิดเป็นภพขึ้นมาภพก็คือสมมติว่าร่างกายนี้ตายไปก็เรายังติดอยู่กับรูปเสีเศศยงกลิ่นนอสย์เราก็ไปเกิดใหม่นี่คือการทํางานของใจที่ถูกกิเลส คืออวิชชาเป็นผู้กำกับเป็นผู้สั่งการใจของพวกเราที่มาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เกิดมาจากอาวิชชาเป็นผู้กำกับสั่งให้เราคิดให้เราคิดไปหารูปเสียงเก่งรดกันไปหาสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างนอกข้างนอกใจข้างนอกร่างกาย เราก็เลยต้องมีร่างกายกันพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่นี่คือเรื่องของปฏิจจสามุปบาทมันเป็นตัวที่ทำให้เราต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทำให้เราไม่เกิดก็คือเราต้องมาเปลี่ยนอวิชชาให้เป็นวิชา อวิชชาคือความหลงความไม่รู้ว่าความจิตความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่อยู่ที่ไหนอวิชชาไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสเพระพุทธเจ้ามาตัดสัรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ข้างในใจไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสก็เลยเอาความรู้นี้มาม า, ม า, ม, ามาสอนใจให้ คิดไปในทางหาความสงบแทนที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสก็ให้ไปหาความสงบสังขารก็จะปรุงแต่งไปกาบการที่จะไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมก็จะส่งให้วิญญาณพุ่งไปหาสถานที่สงบไปปีกวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอไปอยู่ที่สงบไปนั่งสมาธิใจก็เกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งความสุขนี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องใช้ตาหูจมกูกลิ้นกายก็จะทำให้ไม่มีตันหาความอยากหารูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเมื่อไม่มีความอยากก็จะ ไม่มีอุปทานความยึดติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสพอร่างกายนี้ตายไปก็จะไม่มีพบไม่มีการไปหาพบใหม่ไปเกิดใหม่อันนี้คือเรื่องของอวิชชาปัจจยาสังขาราพอเรามีธรรมะสังขารเราก็จะคิดตรงกันข้ามกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราคิดจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส พอเรามาฟังเทศฟังธรรมพจจะระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การอยู่ที่ความสงบของใจแล้วก็เปลี่ยนความคิดแทนที่จะไปเที่ยวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ไปหาที่สงบไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันเราก็ใช้ปัญญาคอยอหยุดตันหาความอยากที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสกัน ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราก็จะหยุดตันหาความอยากต่างๆได้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็จะถูกกําจัดไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปมีอุปทานไม่ยึดไม่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีกาแฟดื่มก็ได้ไม่มีกาแฟดื่มก็ได้มีหนังดูก็ได้ไม่มีหนังดูก็ได้มีขนมกินก็ได้ไม่มีขนมกินก็ได้ มีแฟนก็ได้ไม่มีแฟนก็ได้ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความอยากในขนมกาแฟไม่มีความอยากกับแฟนก็ไม่ต้องมีแฟนอยู่คนเดียวก็ได้สบายเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากการนั่งสมาธิที่เกิดจากการใช้ปัญญาคอยระงับความอยากต่างๆ เรามีสมีสมาธิมีปัญญาเราก็ปล่อยวางอุปทานได้ปล่อยวางละตัณหาความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายอีกต่อไปไม่มีร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราใช้การนั่งสมาธิการทำใจให้สงบ พอเรามีความสงบ ja. เราเรู้จักทำใจให้สงบแล้วเราจะอยู่ในท่าไหนก็ทาใจให้สงบได้จะเดินก็สงบได้จะนั่งก็สงบได้จะยืนก็สงบได้จะนอนก็สงบได้ร่างกายจะแก่ก็สงบได้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็สงบได้ร่างกายจะตายก็สงบได้ตายก็ไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่ยุติการเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยวิชาวิชาก็คือธรรมะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามาฟังกันเนี่ยเป็นวิชาเป็นความรู้ที่จะทำให้เราหายหลงกันเมื่อวานนี้คนทั้งโลกนี่หลงกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยติดกับรูปเสียงกลิ่นติดกับร่างกายติดกับการมาเกิดใหม่ร่างกายนี้ตายไปก็ต้องกับต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ยังติดกับรูปเสียงกลิ่นรสยังต้องมีตาหูจมูกริ้นกายถึงจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้แต่ความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสุขชั่วคราวประเดียวปะดาได้มาแล้วก็หมดไปกินกาแฟปั๊บมันก็หมดไปเดี๋ยวก็อยากจะกินใหม่ดูอะไรปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดแล้วก็อยากจะดูใหม่ความอยากมันจะไม่มีวันหมด มันจะตามมาเรื่อยๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราปล่อยให้เราทำตามความอยากกันถ้าเราไม่อยากจะให้มันโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องอยากไปทำตามความอยากพออยากกาแฟก็ไม่ดื่มอยากกาแฟก็ไม่ดื่มเดี๋ยวไม่กี่ครั้งก็หายอยากจะมีกาแฟหรือไม่มีกาแฟก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่อยากเพราะเราหยุดความอยากด้วยการไม่กระทำตามความอยาก พอไม่มีความอยากก็ไม่มีอุปทานไม่มีความยึดติดกับกาแฟจะมีกาแฟก็ได้ไม่มีกาแฟก็ได้จะมีแฟนก็ได้ไม่มีแฟนก็ได้ก็จะไม่มีแฟนมีทำไมมีแล้วทุกอยู่กับแฟนเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เหงาว้าเวถ้าไม่อยู่ถ้าอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีแฟนก็สบายนี่คือ เรื่องของปฏิจจสมุปบาทท่านแสดงแผนที่การทำงานของใจของพวกเราใจของพวกเราถ้ามีอวิชชาครอบงำมันก็จะให้เราคิดไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะทำให้เราต้องไปพึ่งร่างกายแล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เราเปลี่ยนร่างกายกันมาไม่รู้กี่ล้านร่างแล้ว เดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปถ้ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ถ้ายังไม่มีความสงบยังนั่งสมาธิไม่ได้ยังตัดกิเลสความอยากต่างๆไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปเกิดใหม่แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลแปดกันมานั่งสมาธิกันมาเจริญปัญญาเพื่อตัดความอยากต่าง ๆ, ๆกัน เราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะเราจะได้ความสงบความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของปฏิจจสมุป บ, บาทมีฝ่ายฝ่าย ฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีก็คืออวิชชาความหลงที่หลอกให้เราไปหาความสุขทางร่างกายกันฝ่ายดีก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสอนว่าให้เราไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบ ก, กันด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาด้วยการรักษาศีนแปดกันพอเรารักษาศีนแปได้นั่งสมาธิได้ จเจริญปัญญาตัดความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายเราก็ไม่เ <No ดือดร้อนแล้วตายแล้วเราก็ไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่อีกเพราะเราไม่ต้องใช้ร bueno ่างกายแล้วเรามีความสุขจากการทาใจให้สงบเราก็สามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกาย เรียกว่านิพานค่ะอาจารยคือไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่มีกิเลสตัณหาความอยากกับรูปเสียงกลิน่นรสต่างๆอยู่อย่างสุขอย่างสบายโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่พระอาหารหันตาสาวกครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนทั้งหลายตอนนี้ท่านก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าท่านอยู่แบบไม่มีร่างกายเหมือนพวกเรา พวกเราอยู่แบบมีร่างกายอยู่แบบทุกข์ท่านอยู่แบบไม่ทุกข์เพราะท่านไม่มีร่างกายตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็คือร่างกายนี้เองก็เกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องปากกัดตีงถีบหาหาปัจจัยสีมาเลี้ยงร่างกายและยังต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกคนฉลาดคนที่มีปัญญา คนที่มีวิชาก็เลยไม่มีร่างกายด้วยการมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อทำให้ใจสงบตลอดเวลาเพื่อทำให้ใจมีความสุขตลอดเวลานี่ก็คือเรื่องของปฏิจจสมุป บ, บาทมีคำถามเข้ามาอย่าง ม, มาแล้วครับอาจารย์เข้ามาเลย คำถามจากคุณบัวทิศนะครับนั่งสมาธิไปสักพักจนรู้สึกว่าใจไม่พุโธจากนั้นก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นเป็นจังหวะจังหวะก็ได้แต่ดูไปพอออกจากสมาธิก็รู้สึกสบายโล่งเบาใจก็ปกติดีไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะถ้าสงบเบาก็ใช้ได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นเต็มที่ ควรไม่ควรจะหยุดพุโทโธควรจะพุโทโธไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมันหยุดกึศลงไปของมันเองมันตกลุมตกบ่อนแล้วมันก็จะนิ่งทุกอย่างก็จะหายไปหัวจงหัวใจเต้นอะไรนี้ก็จะไม่มีไม่มไม่รับรู้อะไรเดีวแต่ผู้รู้ตัวรู้อยู่ตัวเดียวอย่านีอย่าอย่าขี้เกียจพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดให้มันหยุดของมันเองเราอย่าไปหยุดมันหยุดแล้วมันก็ไปไม่ถึงฝั่ง ไปได้แค่ครึ่งทางได้ความสงบบ้างความเบาบ้างแต่ยังไม่รวมเป็นหนึ่งไม่เป็นเอกคั ก, กตารมไม่สักแต่ว่ารู้ควรจะพุโทโธต่อไปถ้าพุโทโธถ้าดูลมก็ควรจะดูลมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดกึกของมันเองคําำถามจะคุณนักพัพน์นะครับที่ฉันนั่งสมาธิแล้วใบหน้าซีกซ้าย แข็งแล้วก็ชาเป็นเพราะอะไรเจ้าคะดิฉันเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงถ้ามันเป็นรละหายของมันเองก็ไม่ต้องไปกังวลเป็นเรื่องธรรมดาของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ต้องไปสนใจคำถามจากคุณอยู่กับปัจจุบัน นิพพิทาต้องรู้สึกเบื่อขนาดไหนคะก็เบื่อแบบว่าไม่อยากได้เบื่อเงินเบื่อทองใครจะให้เงินมาก็ไม่เอามาแล้ววุ่นวายแต่ไม่ได้เบื่อแบบทุกนะเบื่อแบบสุขก็เนี่ยนะคือไม่มีเงินทองฉันก็อยู่ได้ฉันไม่เดือดร้อนฉันไม่ต้องใช้เงินใช้ทองได้มาแล้ววุ่นวายลำคาต้องเอาไปฝากธนาคารต้องเอาไป ดูแลรักษาคนที่เขาไม่ต้องใช้เงินทองเขาเบื่อแบบนี้ต้องเบื่อแบบคนที่ไม่ใช้เงินทองไม่ใช่เบื่อแบบคนที่ยังต้องใช้เงินทองอยู่เบื่อคนละอย่างกันคำถามจะคุณรังศิลลักษ์นะครับถ้าสิ่งที่รู้เห็นได้ยินสัมผัสล้วนเป็นมายาแล้วอะไรคือความจริงในโลกนี้ และความดีความไม่ดีเป็นสิ่งที่เที่ยนแท้ไหมครับของทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วข่าวเท่นั้นเป็นอนิจจังเป็นสมมติความจริงไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่วแล้วเพียงแต่ว่าเราไปโยงกับตัวเราอันใดที่ทำให้เรามีความสุขเราก็ว่ามันดีอะไรที่ทำให้เราทุกเราก็ว่ามันไม่ดีแต่ความจริงของทุกอย่างในโลกนี้มันให้เราทั้งสุขทั้งทุกข์ เพราะว่ามันมีเจริญมันมีเสื่อมเวลาเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันเสื่อมมันก็ให้ความทุกข์กับเราเะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของแท้จริงในโลกนี้ของทุกอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหมดมีของแท้จริงอยู่ตัวเดียวก็คือใจของเราเองและความสงบที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนี่ อันนี้จะเป็นของแท้ของจริงเพราะมันจะไม่เป็นของที่จะหายไปมันจะเป็นของที่จะอยู่กับเราไปตลอดคําถามจะคุณนิชาพานะครับจะทำใจอย่างไรเมื่อต้องไปส่งสามีที่ทราบว่าเขาไปเล่นการพนันกับเพื่อนๆเขาดิฉันจะวางใจอย่างไรเพราะดิฉันไม่ชอบให้สามีไปเล่นการพนันแต่ห้ามไม่ได้ ก็คิดว่าเขาไม่ได้เป็นสามีเราว่าแล้วกันเป็นเพื่อนกันรู้จักกันอยู่ด้วยกันอาศัยกันไปอาศัยกันมาที่เราไม่สบายใจเพราะเรากลัวเขาจะเสียเสียแล้วเราจะเดือดร้อนเพราะเราอย่างต้องพึ่งเขาเราอย่างต้องพึ่งเงินทองของเขาอยู่ถ้าเขาเอาเงินทองของเขาไปเล่นเสียเราก็จะไม่มีเงินทองใช้เราก็เลยไม่สบายตรงนี้มากกว่า เพะถ้าจะทำให้เราสบายเราอย่าไปพึ่งเขาเราอย่าไปพึ่งเงินทองของเขาหาหาเงินของเราเองแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาเขาจะไปใช้เงินใช้ทองแบบไหนก็ตามเพราะเราไม่ต้องอาศัยเงินทองของเขาถ้าเรายังอาศัยเงินทองของเขาอยู่เราก็ไม่อยากให้เขาไปเล่นการพนันเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องเสียพอเขาเสียไม่มีเงินทองเราก็เดือดร้อนอยู่ ยังถ้าเราอยากจะสบายใจก็อย่าไปพึ่งเขาอย่าไปพึ่งเงินทองของเขาหาเงินของเราเองเก็บเงินของเราเองไว้ใช้อัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตอนถ้าไปมัวพึ่งคนอื่นนี่เราจะต้องทุกข์เพราะเราเพราะเขาพึ่งไม่ได้ตลอดเขาไม่แน่นอนบางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็ไม่ดีบางทีเขาอยู่บางทีเขาไม่อยู่ ถ้าเราไปพึ่งเขาเวลาเขาไม่อยู่เราก็เดือดร้อนเวลาเขาไม่ดีเขาไม่ให้เราพึ่งเราก็เดือดร้อนอยิงน่งมาหัดพึ่งตนเองดีกว่าคําถามจะคุณเข็มกุลชายานะครับเวลาเดินจงกรมครั้งเดียวกันช่วงแรกบริกรรมพุทโธไปเดินไปพอเดินไปสักพักรู้สึกว่าใจอาจไม่ค่อยสงบเราจะเปลี่ยนมาดูเท้าซ้ายขวาไปเรื่อยๆ จะได้หรือไม่และเมื่อรู้สึกว่าพอจะบบริกรรมได้ก็กลับมาบริกรรมอีกแบบนี้จะได้หรือไม่เจ้าคะได้ถ้าทาให้ใจสงบทําให้ใจไม่คิดปรุงแต่งก็ได้เอาวิธีไหนก็ได้ให้อยู่กับเท้าก็ได้ให้อยู่กับคําบริกรรมก็ได้และเคยได้ยินคนถามพระอาจารย์ว่าเราสามารถนับพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสาเช่นนี้ไปเรื่อย ได้หรือไม่เจ้าคะได้ได้เหมือนกันคือวิธีต่างๆเหล่านี้เพื่อทำให้เรามีงานทำจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามจากคุณมินนี่พระอาจารย์มีวิธีดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรนอกจากการฉันมื้อเดียวก็ตามที่หมอสั่งท่านมหมอก็บอกต้องมี5้าออออที่หนึ่งก็อาหาร อ, อาหารที่มีคุณ สมบัติที่สุขลักษณะคืออาหารไม่เป็นพิษไม่เป็นภายต่อร่างกายแล้วก็พอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอย่างวันละมื้อเนี่ยเรียกว่าอาหารสองก็เรื่องอากาศอากาศก็คืออากาศที่เราอยู่เนี่ยมันมีทั้งอากาศที่ดีกับอากาศไม่ดีควันพิษนี่ไม่ดีอย่าไปอยู่ใกล้โรงงาน ที่มีกลิ่นน้ํามันกลิ่นอะไรต่างๆเราสูตรของพวกนี้เข้าไปก็ทําทให้ร่างกายเราสะสมแล้วอาจจะเป็นมะเร็งขึ้นมาได้อารมณ์อาหารอากาศแล้วอันอ้อที่3ก็คืออารมณ์เราต้องทําใจให้เรามีอารมณ์ดีอย่าไปวุ่นวายอย่าไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆต้องรู้จักทําสมาธิต้องรู้จักปลงรู้จักปล่อยวาง อยากไปยึดอยากไปติดพิจารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรเป็นของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายของต่างๆที่เราหามาแทบเป็นแทบตายก็เอาไปไม่ได้เลยเป็นของคนอื่นไปท ถ, ถ้าเรามีธรรมะเราก็จะมีอารมณ์ดีใจเราจะไม่เครียดความเครียดนี้หมอเขาบอกว่าเป็นต้นเหตุของโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆ พยายามอย่ามีความเครียดต้องมีอารมณ์ดีมีอาหารดีมีอากาศดีมีอารมณ์ดีเรามีอันความจริงไม่ใช่หาออมจำได้แค่สออ อ, อสุดท้ายก็ต้องอุจจาระก็ต้องถ่ายดีต้องถ่ายทุกวันไม่เป็นไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ท้องผูกจะได้ไม่เป็นเป็นอะไรลทิ์สีดวงทวาร นี่คือการดูแลรักษาร่างกายนี้ต้องฟังหมอเพราะหมอเขารู้กันดีเรื่องเรื่องของร่างกายนี้หมอเข้าศึกษากันเยอะแต่เรื่องจิตใจนี้ต้องฟังธรรมะถึงจะรู้การวิธีที่จะทำให้ร่างกายของเราชีวิตของเรายืนยาวนานก็คือเราก็ต้องมีอารมณ์ดีอารมณ์สงบอารมณ์ดีก็คืออารมณ์สงบใจสงบมีความสุข จะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆจะไม่เครียดกับเรื่องราวต่างๆให้ถือว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติทำนาไรได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ปล่อยวางไปเหมือนฝนฟ้าอากาศนี่เราไปควบคุมบังคับขาไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้เราก็ต้องอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้อยู่โดยที่เราไม่ไปวุ่นวายกับเขา แล้วเราก็จะมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ดีพระอาจารย์ครับไม่ทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ทราบว่าเกี่ยวกับที่พระอาจารย์ไม่รับขิดนิมนต์ไปไหนด้วยไหมครับไม่ต้องเดินทางมันก็มีส่วนเน่เพราะว่าไปไหนมาไหนมันก็ต้องเดินทางหนึ่งสองเวลาพักผ่อนก็อาจจะไม่พอสามเวลาออกกำลังกายก็ไม่มีอันนี่อีกอ้อหนึ่งลไปออที่ห้าคือออกกาลังกาย อันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าไปเดินทางส่วนใหญ่ก็จะนั่งรถกันไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วพอไปถึงที่ที่ออกกำลังกายก็ไม่มีเขาไม่มีที่ให้เราเดินจงกรมกันหรอไปที่กิจนิมนต์นะถ้าอยู่ที่วัดนี่มันมีที่เดินจงกรมแล้วบินทบาทก็ได้ออกกำลังกายถ้าไปรับกิจนิมนต์ก็ไม่ได้บินทบาทอีกดูเสืพอาที่ที่รับกิจนิมนต์ส่วนใหญ่นี่เนื้อหนังนี่อ้วนท้วน แต่เละเป๊ะหมดหมดไม่มีกล้ามเนื้อเลยเพราะมีแต่นั่งมีแต่กินมีแต่นอนไม่ได้ออกกำลังกายกันนี่คื อ, อห้าออนเลืลืมออกสุดท้ายเลยออกกำลังกายเองอันนึงคำถามจะคุณปัตมาปัธรมานะครับจิตที่นิ่งเป็นสมาธิเราควรนึกถึงพุโทโธอย่างเดียวใช่ไหมคะ ใช่เวลาจะทำจิตให้นิ่งเนี่ยเต้องอยู่กับอารมณ์เดียวอย่าไปมีสองอารมณ์สองอารมณ์แล้วมันจะแว่งไปแว่งมาให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวดีกว่าอยู่กับลมก็ลมอย่างเดียวดีกว่าอย่าไปเอาสองอย่างมาปนกันแล้วมันจะไม่สงบมันจะไม่รวมคำถามจะคุณูบพระที่ท่านไปทุ ด, ดงในป่าเวลามีสัตว์เช่นงูเสือ มาทำอย่างไรคะและพระอาจารย์พักดุบนเขาเคยมีสิทธ์สับป่ามาเยี่ยมไหมคะถ้าท่านถ้ามีท่านทำอย่างไรก็แผ่เมตตาเนี่ยก็เฉยๆเขามาก็ปล่อยเขามาไปเขาก็เป็นเหมือนคนธรรมดาเป่ทั่วไปถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาเขาก็ไม่ทำเราเวลามา เราก็อยู่เฉยๆถ้าเดินไปจ้าเอ๋กับเขาบางทีเดินไปจ้าเอ๋กับงูนี่เราก็ยืนเฉยๆเดี๋ยวเขาก็เห็นว่าเราไม่ได้เป็นภัยกับเขาเขาก็เลื้อยคานต่อไปถ้าเราไปขยับเขยบเข้าใกล้ตัวเขานี่อย่างงูงูเห่านี้บางทีมันจะแผ่แม่เบี้ยทันทีแต่พอเรายืนเฉยๆป๊บเดี๋ยวมันก็ดูเราสักพักหนึ่งเห็นว่าเราไม่ทําอะไรมันก็เลื้อยไปสัตว์เขาไม่ได้มี มีพิษมีภายอะไกับเราแล้ว เ, เพราะเราไม่ได้เป็นอาหารของเขาส่วนใหญ่ความกลัวกันเนี่ยทาให้ต่างฝ่ายต่างต้องมาปะทะกันมาต่อสู้กันเพราะกลัวว่าเขาจะทำเราเราก็ต้องทําเขาก่อนแต่ถ้าต่างถ้าเราเรานิ่งสุกอย่างก็เดี๋ยวเขาก็เขาก็ไปเองอย่างที่หลวงปู่ชอบนี่ท่านชอบเดินจงกรมเดินทุ่งดงตอนกลางคืน มันเย็นมันสบายก็ฟังวันเวลาเดินท่านก็จะมีตะเกียงทําด้วยผ้าโคมผ้าแล้วก็มีมีเทียนไขยอยู่ในในโคมผ้าท่านก็เดินไปแล้วท่านก็ใช้สติประครับประคองการเดินของท่านเหมือนการเดินจงกรมไปพุทโธพุทโธไปถ้าว่าคืนหนึ่งท่านไปเดินจ่าเอศไปเจอเสือเลยไปเจอกันหน้าตอน ไปเจอกับจะๆเลยเขามาทางท่านเดินไปทางจะเอ๋กันนี่ท่านอาศัยท่านมีสติท่านเกิพุทโธจิตมันก็รวมเข้าไปเลยวุบเข้าไปเลยแบบตกหลุมตกปลอมป๊อปน่างกายหายไปเลยเสือหายไปเลยไม่รับรู้เรื่องของเสื อ, อพอร่างกายยืนอยู่เฉยๆเสือมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็คิดว่าเป็นต้นไม้เสือมันก็ไม่ทาอะไรมันก็ไปของมัน พอจิตถอนออกมาท่านบอกว่าไม่รู้นานเข้างหละแต่เทียนที่จุดไว้นี่มันไหม้ไปหมดแล้วแต่ตัวท่านก็ยังถือโคมไฟอยู่เหมือนตอนที่ท่านจิตรวมอยู่ตรงนั้นนี่จิตมันเรื่องเรื่องของการการทำใจให้สงบเนี่ยเวลาจิตมันรวมมันจะรวมแบบนี้มันต้องมีอะไรที่มากระตุ้น มีความกลัวมีอะไรเนี่ยพอเห็นปั๊บนี่มันถ้ามีสติมันก็จะ ด, ดึงใจเข้าสู่ความสงบถ้าไม่มีสติมันก็จะเะลิดเปิดโปรงก็จะโดนเสือกัดตายถ้าจะเอ๋แล้วตกใจกลัววิ่งหนีเนี่ยโดนมันตะคุบเนี่ยนะแต่ถ้าเจอมันแล้วยืนเฉยๆติดนวมก็ไปหรือถ้าเราไม่กล้ามองมันก็หลับตาพุโทโธพุโทโธไปยืนเฉยๆไม่ต้องทําอะไร หรือเวลาเรานั่งอยู่เราได้ยินเสือเสียงเสือคำรามนึกเราก็พุโทโธพุโทโธภาวนาของเราไปมันไม่มาทําอะไรเราหรอกคำถามจากคุณโบสทนะครับปัวสีเหล่าขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ติดตัวมาด้วยหรือเปล่าครับก็อยู่ที่บุญบุญที่เราทํามานะียบุญกรรมมันก็ถูกับบุญกรรมต่างๆที่เราทํามานี่จะจําแนกให้พวกเรา เป็นบัวต่างชนิดกันถ้าเราเป็นพวกทีอ่อยู่กับพวกที่ไม่เคยเชื่อไม่ศรัทธาในศาสนาไม่ไม่ฉัาดไม่มีศรัทธาความเชื่อในบุญในกรรมเหมือนคนสมัยใหม่ยุคนี้เห็นไหมพวกที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์พวกที่เรียนรู้ทางโลกก็บอกเอ้ยสวรรค์ไม่มีหรอกนรุกไม่มีหรอกทําบุญแล้วได้อะไรทําบาปก็ไม่มีผลอะไร ตายไปก็ศูนย์พวกนี้เป็นบัวต่ำสุดเป็นบัวอยู่โคนอยู่กับโคนกับตมพวกนี้จะไม่มีวันที่จะเจริญเติบโตในทางจิตใจได้เพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเขาก็เลยไม่ทําบุญและจะทําบาปกันเพราะการทําบาปมันมันกว่าการทําบุญเวลาทําบุญนี่เสียเงินทําบาปเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าล่ะ เอาไปเล่นการพนันเอาไปดืม่มสุรายาเมาก็จะชอบทำบาปกันจะไม่ชอบทำบุญกันตรงนี้จะไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาเป็นบัวเหนือน้าได้ส่วนพวกที่สองนี่เป็นพวกที่มีความเชื่อหรืออาจจะมาเกิดในครอบครัวที่มีความเชื่อเขาก็สอนให้ใส่บาตรกันให้รักษาศีลกันให้เชื่อบุญเชื่อบาปกันพวกนี้ก็เป็นบัวเหล่าที่สองอ พวกเราที่สามก็เป็นพวกที่เชื่อว่ า, อานอกจากบุญกับบาปแล้วยังมีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากไม่เวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไปไปหาความสุขทางใจไปถือศีลแปไปหัดนั่งสมาธิกันตรงนี้ก็เป็นพวกไปบวชกันแต่ยังไม่ได้สมาธิยังไปหัดอยู่เพียงแต่ได้ศีลแปดแล้วก็ไปหัดนั่งสมาธิกัน ตัวนี้เป็นพวกบัวเหล่าที่สามพวกบัวเหล่าที่สี่ก็เป็นพวกที่นั่งสมาธิได้แล้วจิตรวมได้แล้ว เ, เริ่มพิจารณา t น i s จังทุกขังอนัตต า, าก็บรรลุได้ตัดสับรรุธรรมเป็นพาาาระอรหันต์ได้นี่ก็คือพวกบัวสี่เหล่าซึ่งเราอาจจะเคยสะสมมาททละเล็กเท่าน้อย ชาติก่อนเราเคยทำบุญทาทานรักษาศีลมาชาตินี้เราก็มาทำต่อแล้วถ้าเราอยากจะก้าวให้ขึ้นสู่ขั้นสูงกะเราก็ต้องมาเจอคนที่เขาถือศีล8ดกันคนที่นั่งสมาธิกันแล้วเขาก็อาจจะชวนเราหรือเราเห็นว่าไอ้เขาทำดีก็อยากจะลองทำกับเขาอย่างนี้เราก็จะพัฒนาจากการถือศีลห้าจากการเป็นนักบุญ มาเป็นนักบวชต่อไปมาถือศีลแปมานั่งสมาธิกันแล้วพอนั่งสมาธิบ่อยๆขยันตอนต้น อ, อาจจะนั่งแค่วันพระ ย, ยังยังเป็นนักบุญผสมนักบวชอยู่วันธรรมดาก็เป็นนักบุญเพราะยังต้องทามาหากินยังหายังต้องหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอยู่ก็จะมาวัดปฏิบัติได้เพียงวันพระแต่พอมาปฏิบัติที่วัดวันพระแล้วรู้สึกว่ามันสงบดีมีความสุข ดีกว่าการหาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายก็อาจจะมาบ่อยขึ้นพอมาบ่อยขึ้นก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นก็เลยบวชซะเลยอยู่วัดเป็นแม่ชีเป็นพระไปเลยไม่ต้องกลับบ้านอันนี้ก็จะได้พัฒนาเป็นบัวเหล่าที่สามสมมติเกิดตายไปก่อนเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ก็จะมาบวชเพราะมันมีนิ ส, สัยเดิมนี้อยู่อันนี้ทุกอย่างที่เราทานี่มันจะติดตัวเราไป ถ้าบาป ก, ก็เป็นนิสัยไม่ดีถ้าบุญก็เป็นนิสัยดีบุญเราก็เรียกว่าบุญบารามีนิสัยไม่ดีบาปเราก็เรียกว่าวิบากวิบา ก, กรรมพวกที่เกิดมาชอบเล่นไพ่เล่นการพนันกินเหล้าเมายาเที่ยวผู้หญิงอะไรพวกนี้พวกนี้ก็เป็นพวกที่มีวิบากติดตัวมาพวกที่ชอบเข้าวัดทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกมีบุญบารามีม า, ามา แล้วมันก็จะ พ, พัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดพอเข้าถึงได้สมาธิปั๊บแล้วพอได้ปัญญาปั๊บมันก็จ ะ, ะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปคำถามจะคุณมีให้แค่เท่านี้ถือศีลแปดสามารถดูรายการธรรมะ ได้ไหมครับเช่นฟังธรรมะของพระอาจารย์ลิงสดธรรมะเป็นต้นได้ก็ให้ฟังธรรมไงให้ฟังธรรมแทนอย่าไปฟังพวกบันเทิงอะไรต่างๆ ม, มหอรสถบันเทิงฟังเทศฟังธรรมได้คำถามจะคุณหอมหวานนะครับการนั่งสมาธิจำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิไหมครับดิฉันนั่งเข่าไม่ลงคะ่ะขาจะชชาเร็วต้องทำอย่างไร คือถ้าสาหรับผู้ที่เป็นมือสมัครเนนี่ก็ไม่จำเป็นก็ได้จะนั่งท่าไหนก็ได้เพราะนั่งไม่นานพวกที่เขานั่งขัดสมาธิกันนี่เขาจะนั่งกันเป็นหลายๆายชั่วโมงถ้านั่งท่าอื่นนี้มันจะร่างกายมันจะไม่ไม่ไม่แน่นหนามัน่นคงมันเดี๋ยวเอนล้มไปได้แต่ถ้านั่งทนา่ข้าขัดสมาธินี้มันจะไม่มีวันล้ม เังน้นสำหรับผู้ที่เขาปฏิบัติจริงๆ จ, จังๆนั่งทีละหลายชั่วโมงเขาจะหัดนั่งขัดสมาธิกันแต่ถ้าพวกมือสมัครเล่นพอนั่งหอมปากหอมคอครั้งละหนาที10บนาทีนี้นั่งท่าไหนก็นั่งไปเถอะมันก็ไม่ได้อะไรมากกว่าเท่าไรแลร้วคำถามจากคุณหนิงเดินจงกรมวันละครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงติดต่อกันมาตั้งแต่สิงหาคม จิตยังไม่เข้าถึงฌานแต่สภาพจิตรู้สึกว่าดีขึ้นมากความหมุดหิดน้อยใจความอยากต่างๆลดลงคะ่ะมีความรู้สึกว่าจิตมีความสุขกับตนเองแบบนี้ถือว่าดีขึ้นใหม่คะแต่นั่งไม่ถึงความสงบเงียบก็ยังปฏิบัติน้อยไปไงก็ดีกว่าไม่ปฏิบัติดีกว่าเมื่อก่อนนี้แต่ต้องปฏิบัติมากขึ้นโดยเฉพาะสตินี้ต้อง มีมีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยต้องคอยคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ได้ให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับพุทโธหรือให้อยู่กับร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการทำงานของร่างกายอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับเรื่องที่กาลังเกิดขึ้นร่างกายกาลังเดินก็ให้อยู่กับการเดิน ร่างกายกําลังกินอาหารก็ให้อยู่กับการกินอาหารอย่า ก, กินอาหารไปแล้วไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปให้อยู่กับเรื่องกินอาหารอย่างเดียวเช่นเวลาตักข้าวก็รู้กําลังตักข้าวเวลาเอาเข้าไปในปากก็รู้เอาเข้าไปในปากกําลังเคี้ยวก็รู้ว่ากําลังเคี้ยวกําลังเกินก็รู้ว่ากําลังเกินให้รู้แบบนี้ไม่ให้ไปรู้เรื่องอื่นให้รู้เรื่องเดียวเรื่องของร่างกายหรือไม่เช่นนั้นก็ใช้พุโทโธไป กินก็พุโทโธพุธโทโธไปตักข้าวกับพุโทโธไปเคี้ยวกับพุโทโธไปเปลินกับพุโทโธไปก็ได้อย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วเวลามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมันจะสงบได้ถ้าต้องการให้มันรวมต้องนั่งเฉยๆเดินจะไม่สงบจะไม่รวมต้องนั่งหลับตาต้องนั่งขัดสมาธิได้ยิ่งดีร่างกายมันจะได้นิ่งไม่ไม่ไม่เคลื่อนไหวถ้านั่งในท่าอื่นเดี๋ยวมันเอ็นไปซ้ายบ้างขวาบ้าง ไม่ดีก็ล้มลงไปเลยะถ้าหัดนั่งท่าขัดสมาธิได้ก็นั่งถ้านั่งไม่ได้ก็นั่งท่าอื่นก็ได้แต่เท่าที่สังเกตบางทีพระหลายๆรูปหรือผู้ปฏิบัติก็นั่งพับเพียบนะครับอาจารย์ก็ได้แล้วท่าไหนก็ได้ที่แต่เพราะพับเพียบมันก็ยังไม่มันไม่เสถียรมันมันมันยังเอ็นอะไรได้อยู่แล้วมันมันเอี้ยวไปด้านหนึ่งมันไม่เหมือนกับท่าขัดสมาธินี่มันเป็นท่าที่เอ เขาเรียกว่าอะไรสมดุลไม่หนักไปทางซ้ายไม่หนักไปทางขวาคำถามจากคุณตั้งนะครับผมนั่งสมาธิมานานแล้วแต่ไม่เคยสงบเลยท่องพุทโธดูลมหายใจแต่ใจก็ยังไม่นิ่งพอมีวิธีอื่นใหม่ครับที่จะทำให้ใจสงบได้บางทีก็ต้องไปอยู่ที่มันบังคับให้เราต้องพุทโธจริงๆ่ บางทีพระเขาต้องพระเขาอยากจะให้มีสติบางทีเขาต้องไปอยู่ที่น่ากลัวไปอยู่ในป่าชาเนี่ยพอใจมันจะไปคิดถึงเรื่องผีก็ต้องบังคับให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปพอถ้าไปคิดถึงผีเดียวมันก็กลัวมากๆมันก็อยู่ไม่ได้ฉั้นถ้าจะอยู่ในป่าชาได้นี่ต้องมีสติมากๆเวลามันจะคิดถึงผีก็บังคับให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไป บางทีต้องมีเหตุการณ์มาบังคับให้เราอยู่กับพุโทโธไม่งั้นเราจะไม่อยู่ใจมันจะชอบลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆดังนั้นบางทีเนี่ยพระที่ไปทุ่งตงกันก็เพราะว่าต้องการที่จะไปฝึกสติกันนะไปอยู่ในที่มันน่ากลัวแล้วจะได้บังคับให้มันหยุดคิดในเรื่องที่น่ากลัวต่างๆเพราะถ้ามันคิดแล้วมันก็จะทนอยู่ไม่ได้คำถามจะคุณแมวเหมียว เวลานั่งสมาธิแล้วจิตสงบนิ่งคำว่าพุโทโธหายไปแต่จิตไม่ได้ตกหลุมตกบอ่ออันนี้หมายความว่าจิตยังไม่รวมใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องกลับมาท่องพุโทโธต่อไปเรื่อยๆจนจิตตกหลุมตกบอ่อถูกต้องหรือไม่คะออถูกต้องอย่าไปหยุดบางทีเราขี้เกียจนั่งไว้สักพักหนึ่งขี้เกียจพุโทโธมันเบามันสบายก็เลยหยุดแต่มันยังไม่รวม คำถามจากคุณป้าน้อยถ้าเราวางทุกอย่างออกปฏิบัติทิ้งครอบครัวไปเลยแบบนี้ถูกหรือผิดเจ้าคะใจตัวเองอยากออกปฏิบัติแต่ห่วงแม่ทําอย่างไรดีเจ้าคะภาวนาที่บ้านก็ไม่ได้เพราะไม่สงบคือมันมีสองประเด็นนะคือประเด็นหนึ่งเรามีความรับผิดชอบหรือเปล่าเราไม่น้าที่จะต้องอทํากับใครหรือเปล่า ถ้าเรายังมีหน้าที่อยู่แล้วเราทิ้งไปมันก็เหมือนกับว่าเราบกพร่องในหน้าที่ของเราแล้วประเด็นที่สองถ้าเราสมมติว่าถ้าเราตายไปนี้เราบกพร่องหรือเปล่าถ้าเกิดวันนี้เราตายไปเราเลี้ยกแม่ไม่ได้นี้เราบาปหรือเปล่าเราผิดหรือเปล่ามันก็ไม่บาปมันก็ไม่ผิดนี่มันเปน็ก็เป็นเรื่องของการพลาดจากกันเป็นธรรมดา ดังเรื่องของการไปบวชนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นบุญเพียงแต่ว่ามันอาจจะทำให้เราบกพร่องในหน้าที่ของเราหรือเปล่าถ้าเรายังอยากจะทาหน้าที่ของเราอยู่แต่ถ้าเราคิดว่าหน้าที่ของเราที่แท้จริงก็คือการไปบวชอันนี้ก็ถือว่าการไปบวชนี้ทำให้เราไม่ได้บกพร่องในหน้าที่การไม่บวชนี้ต่างหากที่เป็นการบกพร่องในหน้าที่ทำหน้าที่ที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเรา หน้าที่ของเราในการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็คือมาบวชกันมาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์กันถ้าเราไม่ทำหน้าที่นี้ก็เสียโอกาสอันดีวันนี้เพิ่งฟังท่านหนึ่งพูดมาครับว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเป็นเรื่องจริงไหมครับอาจารย์ก็มันไม่ได้บอกเกิดมาเพื่อใช้กรรมมันเกิดมาเพราะความอยากอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่เมื่อมันมาเกิดแล้วมันมีร่างกายมันก็เลยต้องมารับผลบุญผลบาปที่เราทําไปด้วยไม่ใช่แต่บัคกรรมอย่างเดียวผลบุญเราก็มีคนที่มาเกิดร่ดํารวยนี่เขาก็มารับผลบุญคนที่มาเกิดยากจนมามีเรื่องมีปัญหาอะไรต่างๆก็เป็นคนที่มาเกิดมามารับผลบาปของเขาที่เขาเคยทําไว้คําถามจะคุณปะการังผมเคยนั่งภาวนาได้พอเข้าสู่ความสงบได้บ้าง แต่อยู่ไม่นานจิตก็ถอนออกมาและมาจนทุกวันนี้ผมก็เข้าไม่ได้อีกเลยครับก็ไม่ทําต่อเนี่ยต้องต้องเจริญสติให้มากๆต้องควบคุมใจอย่าให้คิดตลอดเวลาและเวลานั่งมันก็จะเข้าได้ที่เข้าได้ครั้งแรกน่ะอาจจะเป็นฟลุก๊กอดีจังหวะช่วงนั้นมันหยุดคิดของมันมันไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็เลยรวมได้ แล้วเวลานั่งครั้งต่อไปก็อย่าไปคิดถึงผลที่เคยได้ในอดีตเพราะมันเป็นความคิดถ้าคิดถึงผลแล้วอยากให้มันเป็นนี้มันก็จะเป็นกิเลสขึ้นมามันก็จะทำให้เข้าไม่ได้สงบไม่ได้เวลาจะเวลาจะให้มันเข้านี้ต้องนั่งนั่งูนั่งอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวแล้ดูลมหายใจอย่างเดียว อ, อย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคาดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้อยู่กับปัจจุบัน ให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวคําถามจะคุณขันติพงการพิจารณาเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้ววางแต่เมื่อจะนึกให้เห็นความจริงเหมือนเดิมกลับลืมทําอย่างไรให้ทำที่เห็นแล้วไม่เสื่อมครับก็ต้องทําบ่อยๆถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็แสดงว่าลืมก็ยังไม่เป็นธรรมแท้ถ้าเป็นธรรมแท้มันจะไม่ลืม มันต้องเจอเหตุการณ์จริงถึงจะไม่ลืมเช่นเวลาเราเสียอะไรไปแล้วเราเสีย อ, อกเสียใจมากถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่เราเสียใจเพราะเราอยากให้ของที่เราเสียไปนั้นไม่เสียให้มาอยู่กับเราต่อไปเราก็เกิดความทุกข์ทรมานใจแล้วพอเรายอมรับความจริงว่าของทุกอย่างจะต้องมีวันจากเอาไป ถ้าเรายอมรับเราก็จะหายจากความทุกข์ได้เพราะเราจะไม่มีความอยากให้เขากลับมาเป็นของเราอีกถ้าอย่างนี้มันจะไม่ดืมอคำถามจากคุณพยูวิทนะครับถ้าเรานั่งสมาธินั่งไปนานๆแล้วรู้สึกปวดมากจนไม่มีจิตใจกำหนดพุทโธควรจะทำอย่างไรเจ้าคะก็แล้วแต่ทำยังไงก็แล้วแต่จะให้ทำยังไงล่ะ ก็คุณีคนนั่งคุณก็ลองไปคิดดูเลยถ้านั่งต่อไปได้ก็นั่งต่อไปสู้มันต่อไปพุทโธมันต่อไปอย่าลุกแต่บางทีนั่งถึงจุดนั้นแล้วก็ไม่มีกระจิกระาย จ, จะพุทโธแล้วมันจะลุกอย่างเดียวอย่างนั้นมันก็คงจะนั่งต่อไปไม่ได้ถ้านั่งต่อไปได้มันก็อาจจะสงบได้ถ้าเราฮึดสู้ขึ้นมาอา้าพุทโธไปไว่าไม่ลุกพุทโธพุทโธต่อไป ให้มันขาดใจตายไปกับพุโทโธเลยว่ามันต้องดุยแบบนี้มันถึงจะมันถึงจะสงบได้คำถามจากคุณเขมกุลชายานะครับการที่เราถือศีลแปดเกือบทุกวันทำสมาธิมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัดความอยากไปได้หลายอย่างเช่นแต่ก่อนต้องดื่มกาแฟตั้งแต่ฟังพระอาจารย์ก็หยุดไปเลยแบบนี้พบชาติจะพอลด ไปได้บ้างหรือไม่เจ้าค้าหรือต้องปฏิบัติจนถึงที่สุดเสียก่อนพบชาติจึงจะได้ลดลงไม่หรอกมันเริ่มลดลงไปตามปริมาณของความอยากอยากน้อยลงไปพบชาติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่จากแ ส, แสนล้านชาติการ จ, จะเหลือแค่หมื่นล้านชาติมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ลดเลยแล้วอยากกลับไปกินใหม่ก็แล้วกันนะพอวันหลังวันดีคืนดี รู้สึกค้มฟ้าค้มฝ น, น, นขึ้นมาก็เอาเอามันสักแก้วเเดี๋ยวพอเอาแล้วเดี๋ยวติดใหม่ก็ช่วยไม่ได้นะก็กลับไปเพิ่มพดครบชาดอีกเนี่ยท่าเริกแล้วก็ต้องเลิกไปเลยอย่ากลับไปหามานันอีกคําถามจะคุณสัญญาสมาธิขนาดนิวรดับแต่กายไม่ดับลมหายใจดับเป็นช่วงๆออกจากสมาธิแล้วพิจารณาไตรักปัญญามันไม่คมคือเห็นไตรักไม่ชัด มันเหมือนอารมณ์ส ม, สมถะมันเจือกับวิปัสนาเป็นอย่างนี้ตลอดกิเลส ก, ก็บางสติก็ดีขึ้นรู้ทันอารมณ์มากขึ้นปัญหาคือจิตไม่ผ่องใสมีข้อแนะนําอย่างไรให้ปัญญาคมยิ่งขึ้นจิตผ่องใสตลอดเวลานั่งนานครับสัปดาห์ละ 3-4 มถึง่วันก็เพิ่มสติให้มีมากขึ้นแล้วนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้น แล้วออกมาก็พิจารณาปัญญาให้มากขึ้นบ่อยขึ้นต้องทำมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องจนถึงขั้นทาทั้งวันทั้งคืนนั่นแหะจะไม่ทำก็เฉพาะช่วงเวลาหลับเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นรต่อไปมันจะปัญญาจะแหลมคมจิตจะพ่องใสจะเห็นตายรักได้อย่างชัดเจนจะตัดตันหาความอยากได้อย่างง่ายดายคำถามจากคุณเอคิดนะครับ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มากระทบกายและใจมันก็จะเกิดอาการไปตามขบวนการไปตามเรื่องราวของมันซึ่งเป็นธรรมชาติของมันเราเพียงปัญญาเป็นเครื่องคัดกรองถูกต้องไหมครับถูกต้องให้รู้เฉยๆ อ, อ, อย่าไปเกิดความอยากขึ้นมาอยากเกิดไปเกิดความอยากได้หรืออยากให้มันไปใจเราต้องเป็นกลางอย่าไปรักอย่าไปชัง ให้สักแต่ว่ารู้ให้เห็นเฉยๆว่ามันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาคำถามจากคุณเปาผมอยากไปใช้ชีวิตแบบนี้จังเลยครับผมเบื่อชีวิตปัจจุบันมีแต่ความวุ่นวายเวลาจะนอนก็คิดนู่นคิดนี่นอนไม่ค่อยหลับจิตใจไม่ค่อยสงบผมควรทําอย่างไรดีครับจิตใจถึงจะเลิกคิดเรื่องต่างๆก็ลองไปหัดบวชชั่วคราวก่อนไปอยู่วัดสักสามวันเจ็ดวันฮ เวลาว่างก็ไปวัดไปหาที่สงบไปปฏิบัติธรรมไปทดลองก่อนเหมือนว่ายน้ำตอนต้นก็หัดว่ายในสระก่อนอย่าเพิ่งไปไว่ายในทะเลหัดว่ายในสระไปก่อนพอเราว่ายเป็นแล้วเรามีกำลังเราก็ว่ายในทะเลว่ายไปไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปถึงเกาะเลยก็ได้ถ้าเรามีกำลังนะงั้นถ้าเราอยากจะไปทางนี้เราก็ต้องเริ่มต้นฝึกหัดแนละ้ว ต้องหัดเข้าวัดถือศีลแปดนั่งสมาธิกันฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากันทำให้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วเดี๋ยวใจก็จะมีกำลังที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็จะไปอยู่คนเดียวไปทำใจให้สงบได้คำถามจากคุณเขมกุลชายานะครับการเดินจงกรม จะเป็นการเจริญสติได้ดีกว่านั่งสมาธิหรือไม่เจ้าคะมันก็เท่ากันอยู่ที่ความถนัดของเราบางคนถนัดเวลาเดินจงกรมนี้จะสติดีกว่าเวลานั่งบางคนนั่งสติดีกว่าเวลาเดินอันนี้ก็แล้วแต่แต่เป้าหมายก็คือต้องให้มีสติตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินหรือจะยืนหรือจะนั่งนี้ควรจะมีสติอยู่ตลอดเวลา คำถามจากคุณสละอหนูสวดมนต์ตอนเย็นแล้วก็นั่งสมาธิวันละ40นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงทุกวันทําแบบนี้มาเกือบสองปีแล้วแต่ก็ยังสู้เวทนาไม่ได้สักทีบางวันจิตก็สงบบางวันก็ไม่สงบจะมีอาการสะดุง้งแล้วก็นิ่งไปประมาณหนึ่งนาทีกาเรียนถามพระอาจารย์ว่าหนูปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อย จะมีทางก้าวหน้าใหม่คะแล้วอาการที่เกิดขึ้นคืออะไรเออที่ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะได้เท่านี้แหละถ้าอยากจะให้มันมากกว่านี้ก็ต้องออวันวันหยุดทำงานวันว่างก็ต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวแล้วไปปฏิบัติให้มันมากขึ้นออแทนที่จะปฏิบัติแค่วันละชั่วโมงก็เอาวั น, วนละ10บชั่วโมงออมันก็จะได้10บเท่าออแล้วก็ ต้องเพิ่มปริมาณของการปฏิบัติทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาให้มันมากขึ้นไปถ้าเราอยู่อยู่แบบเดิมเราก็จะมีเวลาเท่าเดิมเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติเพิ่มได้มากขึ้นดังนั้นถ้าเราอยากจะให้มันก้าวหน้าเราก็ต้องหาเวลาปฏิบัติให้มากขึ้นเช่นวันหยุดเราแทนที่จะอยู่บ้านทากิจกรรมอย่างอื่นเราก็ไปถือศีลแปดที่วัดไปปฏิบัติที่วัด อยู่ทั้งวันทั้งคืนที่วัดเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติสมาธิปัญญาถ้าทําอย่างนี้มันก็จะก้าวหน้าได้การจะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าอยู่ที่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติมากมันก็จะก้าวหน้ามากถ้าปฏิบัติน้อยมันก็จะก้าวหน้าน้อยเป็นเรื่องปกติเหมือนเด็กนักเรียนถ้าขยันดูหนังสือขยันทําการบ้านมันก็สอบได้ที่1ได้ถ้าทําน้อยมันก็สอบได้ที่โหล ม่ที่การกระทาของเราที่จะทำให้เกิดผลของเราขึ้นมาคำถามจะคุณมะขินผู้สูงอายุที่สูญเสียความจาจะช่วยเขาอย่างไรให้ได้บุญเจ้าคะก็ช่วยเลี้ยงดูเขาเขาเนิมกินข้าวก็บอกถึงเวลากินแล้วเนิมกินยาก็เอายามาให้เขากินเมื่อเขา ทำอะไรด้วยตนเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือเข้าไปส่วนทางด้านจิตใจนี้มันสายไปเสแล้วถ้ามันลืมแล้วพูดอะไรมันก็จําไม่ได้ทําอะไรไม่ได้พระเจ้าถึงบอกอย่าประมาทให้รีบมาปฏิบัติทำตอนที่ร่างกายยังสมบูรณ์อยู่ถ้าเราให้แก่แล้วมันจะไม่ไหวเมื่อมันจะทําไม่ได้คุณสายนะ้ำถามว่าอยากให้พระอาจารย์ เล่าเรื่องสมัยตอนที่อยู่กับหลวงตาครับไม่รู้จะมีอะไรให้เล่าก็ลองไปอ่านประวัติของหลวงตาดีกว่าเราไม่ค่อยมีประสบะการณ์อะไรมากก็เลยไม่มีอะไรจะเล่าคำถามพ่อต่อไปจากคุณสายน้ำทำอย่างไรให้ชาติหน้าได้มีโอกาสเกิดในเมืองพุทธให้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรม เห็นบางคนแก่แล้วยังไม่เคยเข้าวัดทําบุญเกิดจากที่เขาไม่เคยทําบุญเมื่อชาติก่อนหรือครับและถ้าเขาไม่เคยทําบุญชาติก่อนทําไมถึงได้เกิดเป็นคนครับคือการจะมาเกิดเป็นคนเนื่มาพราพระพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องที่เราไปกําหนดไม่ได้นะรัพระพุทธศาสนานจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่การมาเกิดเป็นคนของเราเนี่ยมัน เป็นผลที่หนึ่งเกิดจากการที่เร า, เาใช้ไปใช้บุญใช้บาปมาแล้วบุญกับบาปไม่มีกำลังที่จะดึงเราไปสวรรค์หรือดึงเราไปอบายเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์กันแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ถ้าเราไม่มีบุญเก่าเราไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปต่อให้เจอพระพุทธศาสนากี่ครั้งก็ไม่มีประโยชน์อะไร เราก็จะไม่เข้าหาศาสนาอยู่ดีงั้นถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากศาสนาในอนาคตเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องพยายามเข้าหาบุญเข้าหาวัดอยู่บ่อยๆศึกษาและปฏิบัติตามคาสอนของพระเจ้าอยู่บ่อยๆแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปพอชาติต่อไปถ้าเราได้เจอกับวัดเจอกับศาสนาเราก็จะเข้าหาศาสนาแล้วเราก็จะสามารถศึกษาให เพิ่มมากขึ้นปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นได้เนเรื่องของอนาคตนี้เราไปกำหนดไม่ได้ว่าเราจะไปเจอพระพุทธศาสนาหรือไม่แต่เรื่องที่เรากำหนดได้ก็คือเราเตรียมความพร้อมของเราไว้เวลาเราเจอศาสนาเราก็จะได้เข้าหาศาสนาและปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไปได้งนั้นชาตินี้ตอนนี้เราเจอศาสนาแล้วเราก็รีบเข้าหาศาสนา เข้าศึกษาเข้าปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วดีไมด่ดีอาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดอะไรก็ได้ถ้าปฏิบัติจริงๆศึกษาจริงๆนี่พระเจ้าก็บอกแล้วบางคน7วันก็ก็บรรลุได้บางคนก็7เดือนบางคนก็7ปีเพราะฉะนั้นเราอย่าไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตหรอกเรามีของดีในปัจจุบันแล้วตอนนี้เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้ว ไปรีบไปขึ้นรางวัลเถิดอย่ามากังวลกับหวยงวดหน้าเลยหวยงวดหน้าไม่รู้จะถูกหรือเปล่าแต่งวด น, นี้ถูกแล้วทําไมไม่ไปขึ้นรางวัลกันการขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือการไปปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเรียกว่าเป็นการขึ้นรางวัลถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสอนวิธีปฏิบัติให้เราได้ขึ้นรางวัลกันก็เหมือนกับไม่ถูกรางวัล ตอนนี้เราถูกรางวันที่หนึ่งแล้วเจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตามเท่านั้นเองก็เป็นการขึ้นรางวัลตากลับมากังวลถึงชาติหน้าว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนาอีกหรือเปล่าถ้าเจอแบบนี้ชาติหน้ามันก็เจอแบบนี้อีกล่ะเจอมันก็ไปกังวลในชาติต่อไปว่าจะเจอเอีกหรือเปล่าแล้วตัวเองก็ไม่เคยไปปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆก็ยังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังไปหาลาบยศสรรเสริญอยู่ ถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปคิดให้เสียเวลาเลยคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร <Yeah. S 1> ตอนนี้เราได้ถุงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราสามารถรับรางวัลของพระพุทธศาสนาได้แล้วเพียงแต่เราต้องไปขึ้นรางวัลเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> ก็เพียงแต่ปฏิบัติตามเท่านั้นเองศีล ส, สมาธิปัญญาแค่นี้เองสือศีล8นั่งสมาธิฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมให้เกิดปัญญาก็บรรลุได้แล้ว เวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี่สบายมากมัวแต่มานั่งกังวลว่าเดี๋ยวชาติหน้าจะเจอาศาสนาพุทธหรือเปล่าไปกังวลทำไมถ้าชาตินี้บรรดูแล้วไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วจะไปกังวลทำไมให้เสียเวลาปปล่าคคำถามจาคุณอนาปานะครับคนที่ปราชิกแล้วศึกมามีโอกาสถึงทำโลกุตระใหม่ครับยากอ่ะเพราะมันยังติด เรื่องของทางโลกอยู่มากขนาดไปเป็นพระยังยังไปทําผิดศีลได้แล้วเวลาไม่เป็นพระนี่มันยิงมันจะไปรักษาศีลได้ยังไงการที่ไม่มาเป็นพระการที่เป็นกาลาวาแสดงว่าไม่มีเจตนาที่อยากจะรักษาศีลแล้วอยากจะหาความสุขจากกามนะอยากจะมีเมีย ม, มีสามีอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายแล้ว ตรงนี้ก็ไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้พวกที่จะไปนิพพานนี้ต้องไม่หาความสุขทางร่างกายต้องถือศีลแปดขึ้นไปให้ได้ต้องชอบอยู่วัดต้องชอบนั่งสมาธิเดินจงกรมชอบฟังเทศฟังธรรมอันนี้ถึงจะไปนิพพานได้พวกที่ประหาดเชินนี้แสดงว่าเขาไม่ชอบทางนี้เขาชอบทางการอารมณ์เขาก็ไปทำเรื่องของทางกามอารมณ์กัน คำถามจะคุณยายยานะครับมีโอกาสได้ถือศีลแปดที่วัดหนึ่งแต่เผลอกินขนมตอนหลังเที่ยงโดยไม่ได้ตั้งใจและปัดยุงที่บินมาเกาะที่แขนแต่นิ้วไปโดนมันตายและตอนต่อแถวรับอาหารมีนักบวชชายถอยหลังมาชนจะเป็นอะไรไหมครับเรื่องกินแบบไม่มีเจตนานี่ยเราไม่เชื่อหรอกมันจะกินมันก็ต้องมีเจตนาจะกินนะั่นแหละ มันจะไปกินได้ไงเห็นขนมนก็อยากกินก็มีความมับขึ้นมามีความตั้งใจแต่ไม่มีสติเบรกมันเท่านั้นเองมันก็เลยความอยากมันเร็วกว่าสติมันความมับปิดเข้าไปแล้วถึงจะมารูยถือศีลแปดหน่วกินไม่ได้ส่วนไอ้เรื่องที่ไปแตะเนื้อต้องตัวแล้วไม่มีเจตนานี่ยเชื่ออาจจะไปยืนเข้าแถวกันอะไรกันอย่างนี้บางวัดเขาถึงให้แยกกันระหว่างผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงเข้าแถวหนึ่งผู้ชายเข้าแถวหนึ่งผู้หญิงกินอยู่มุมหนึ่งผู้ชายกินอีกมุมหนึ่งไม่ให้อยู่ใกล้กันที่พักก็ให้อยู่กันคนละด้านถ้าอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดไฟลุกขึ้นมาได้คําถามจะคุณปัตธมานะครับฟังบทสวดฟังธรรมะออนไลน์ นี่เป็นบุญกุศลด้วยไหมคะการฟังมันก็ได้ประโยชน์แต่มันสู้การปฏิบัติไม่ได้ผลต่างกันการฟังนี้จะได้ผลก็คือทำให้เราได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อฟังแล้วรู้แล้วว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเราต้องปฏิบัติเราถึงจะได้ผลอีกทีหนึ่งการฟังนี้ได้ผลประโยชน์ตรงที่เราจะได้รู้วิธีปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้บรรลุธรรมกันถ้าไม่ฟังแล้วเราไปปฏิบัติก็จะหลงทางได้ทำไม่ถูกคำถามจากคุณเทมปุระทุกๆวันจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกๆเชา้าทำไมเวลานั่งสมาธิจิตชอบคิดเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาหรือว่าปฏิบัติยังไม่พอคะไม่มีสติไงไม่ฝึกสติเลย จะมานั่งปุ๊บแล้วให้มันหยุดไม่ได้หรอกต้องหยุดมันก่อนที่เรามานั่งทั้งวันเลยให้ฝึกสติไว้คอยควบคุมความคิดอย่าให้มันไปคิดคิดเท่าที่จำเป็นเวลาทำงานต้องคิดบวกลบคูณหารคิดวางแผนคิดแก้ปัญหาก็คิดไปแต่ถ้าดีไม่ทำงานได้ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องคิดจะได้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่างนี้เวลานั่งมันก็จะไม่คิดและมันก็จะสงบได้ คำถามจากคุณน้ำมนหนูตั้งใจปฏิบัติภาวนาตลอดช่วงบ่ายจนเย็นแต่พอเดินจงกรมไปหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิอีกหนึ่งชั่วโมงอยู่ดีๆก็ลืมตาขึ้นมาแล้วใจก็บอกว่าพอแล้วอิ่มแล้วหลังจากนั้นหนูก็เดินไปที่สวนหลังบ้านสัมผัสอาก า, กาศของธรรมชาติรู้สึกว่ามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมากใจไม่ต้องการอัดลายอีกแล้ว แบบนี้หนูโดนกิเลสหลอกหรือเปล่าคะหนูควรฝืนนั่งต่อไปอีกหรือควรหยุดไว้ชั่วคราวก่อนคะแล้วค่อยไปภาวนาใหม่ก็ดูที่ความอยากว่ายังมีอยู่ยังอยากดื่มกาแฟหรือเปล่ายังอยากดูละครหรือเปล่ายังอยากทำอะไรต่างๆทางร่างกายหรือเปล่าถ้ายังมีความอยากอยู่ก็แสดงว่ายังไม่พอยังอิ่มไม่พอถ้ามันอิ่มจริงๆแล้วมันไม่อยาก มไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากทำอะไรไม่อยากดูอะไรไม่อยากฟังอะไรจะอยู่กับความสงบอยู่กับความว่างได้อย่างสบายคำถามจากคุณเจมส์นะครับทำไมแต่ก่อนตอนเริ่มนั่งสมาธิแบบจริงๆจังๆใหม่ๆจะนั่งได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วถึงจะถอนออกมาเองแต่พอสัปพักประมาณ เดือนพอนั่งทุกวันเวลาจะลดลงเหลือประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วจะเริ่มไม่ค่อยมีสมาธิอยากเรียนถามว่าเป็นเพราะอะไรครับก็อยู่ที่ความตั้งใจถ้าเรามีความตั้งใจเราก็จะนั่งได้มากถ้ามีความตั้งใจน้อยมันก็จะนั่งได้น้อยอธิษฐานเนี่ยความตั้งใจแปลว่าอธิษฐานถ้าเราตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะนั่งสองชั่วโมงล้วก็ต้องนั่งไปถ้ายังไม่ถึงสองชั่วโมงเราก็ไม่เลิก ถ้าเราไม่ตั้งใจเรานั่งตามสบายพออยากจะลุกเราก็ลุกไปพระอาจารย์ช่วยอธิบายการลงโทษตัวเองถ้าเกิดว่าทำตามอธิษฐานไม่ได้ด้วยครับเ <สา S 2> พื่อผู้ปฏิบัติท่านอื่นก็ได้ก็ <สา S 2> ลองทราามานตัดอะไรบางอย่างที่เราเทำเช่นเรา เ, เราเราอะไรเราดื่มกาแฟอย่างเงี้ยแล้วพอเรา พอเราไม่ทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราก็งดเบียกาแฟไป2วัน3วันก็ว่าไปลงโทษตัวเองถ้าเราดูละครแล เ, เรากดูสัก 2-3 สาวันอะไรทำนองนี้ก็ตัดความสุขที่เราเคยทำที่เราเคยทำอยู่ออกไปเพื่อเป็นการลงโทษคำถามจากคุณอุปมาพรทุกคนที่ตายไปต้องไปชดใช้กรรมก่อน แล้วค่อยไปรับผลบุญที่เราทำมาใช่ไหมคะก็ตายไปแล้วมันบุญกับบาปก็จะมาดึงใจไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปรับผลบุญก่อนพอบุญหมดกำลังมันไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้แต่บาปก็ไม่มีกำลังที่จะดึงให้ไปอบายได้ก็มาเป็นมนุษย์ก่อนพอเป็นมนุษย์แล้วก็มาทาบุญทาบาปใหม่ แล้วพอตายไปถ้าบาปมากกว่าบุญก็บาปก็จะดึงไปอาบายแล้วพอบาปกับบุญมีกําลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คําถามจากคุณวชิราภรเป็นผู้หญิงอยากออกปฏิบัติแต่ไม่มีเงินเก็บอย่างนี้จะอยู่วัดได้หรือครับได้เขาเหมืนบวชแม่ชีกันแม่ชีที่สํานักต่างๆเขาก็ไม่ต้องมีเงินทอนก็ได้ก็ ม, มีบ้างสําหรับค่าใช้ใจ่ายส่วนตัว เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารการกินนี่เขาก็มีผู้มีจิตศรัทธาที่จะสนับสนุนแต่เราต้องไปหาวัดหรือสถานที่ของสำนักไมช่ชีที่เขารับพวกไม่ชีกันคำถามจากคุณพุโทโธครับผมขอแนวทางการปฏิบัติผมเห็นว่าความคิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทำให้ไม่อยากนึกคิดอะไรบางทีลืมชื่อเพื่อนบ่อย ผิดถูกอย่างไรขอพระอาจารย์แนะนำด้วยครับเรื่องความลืมชื่อนี่มันไม่ใช่เรื่องของความไม่คิดหรอกคิดหรือไม่คิดมันก็ลืมได้ถ้าเราไม่ได้ไปติดต่อเขานานเข้าเราก็ลืมเขาได้ดังมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราคิดหรือไม่คิดตอนที่ไม่คิดนี่เราก็ยังจำเขาได้อยู่ถ้ามันคน่อเรื่องกัน เ, เรื่องสังขารกับเรื่องสัญญานี้เป็นคน่อตัวกันดังนั้นก็ มันไม่เกี่ยวกันการที่ไม่คิดนี่แม่นะครับว่าเราจะลืมอะไรต่างๆคนที่นั่งสมาธิก็กลายเป็นอัลไซเมอร์กันไปหมดเลยเพราะไม่คิดกันไม่หรอกมันไม่เกี่ยวกันคําถามจะคุณมีสัตว์นั่งสมาธินานๆแล้วเหน็บชาที่ขาทําอย่างไรดีครับก็ปล่อยวางให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันพิจารณาว่าเป็นอนัตตา ของที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันอยู่หรือสั่งให้มันไปได้ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันชาก็ปล่อยมันชาไปเราอยู่หัดอยู่กับมันให้ได้ถ้าอยู่กับมันได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนจะอยู่ได้ก็ต้องไม่มีความอยากให้มันหายไปที่เราอยู่กับมันไม่ได้เพราะเราอยากให้มันหายไปแเราต้องมาหยุดความอยากให้มันหายไปแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างสบายไม่เดือดร้อน วิธีจะอยู่กับมันได้ก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงมันปล่อยมันไปอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหากับความความเน็บชาของร่างกายคำถามจากคุณนุผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์นี่หมายถึงผู้ได้สดาวาันขึ้นไปหรือว่าต้องได้ขั้นอาราหาันเท่านั้นคะก็มีหลายขั้นขั้นสมาธิก็หลุดได้เหมือนกันแต่หลุดได้ชั่วคราว เวลานั่งสมาธิจิตสงบความทุกข์ก็หายไปเช่นเราทุกข์กับสามีทุกข์กับงานทุกข์กับเงินพอเรามานั่งสมาธิจิตสงบมันก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ไปความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวพอเราออกจากสมาธิมาพอมาคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงเงินคิดถึงงานมันก็กลับมาใหม่ได้นี่เรียกว่าหลุดพ้นชั่วคราวถ้าหลุดด้วยสมาธิ ส่วนหลุดขั้นโสดาบันนี้ท่านก็หลุดได้บางเรื่องการหลุดพ้นในศาสนาพุทธนี้มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์ถ้าขั้นอรหันต์นี้หลุดพ้นจากทุกเรื่องโสดาบันนี้หลุดพ้นจากเรื่องของร่างกายเรื่องแ ก, เก่เจ็บตายสกิทาคามีอนาคามีหลุดพ้นเรื่องกามอารมณ์เรื่องการที่อยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ ส่วนทานอาหารนี่หลุดพ้นจากทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะไม่ทุกข์กับมันเลยคำถามจากคุณรังศิริลักษ์นะครับการสวดมนต์กับการประกอบแต่กรรมดีเป็นสิ่งเดียวกันไหมครับเกิการประกอบความดีนี้มันเป็นเป็นคำพูดรวมการประกอบความดีนี้มันมีหลายชนิดด้วยกันการให้ทานก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งการนั่งสมาธิก็เป็นการ ทำความดีอย่างหนึ่งการรักษาศีลก็เป็นการทําความดีอย่างหนึ่งดังนั้นคว่าการกระทําความดีนี้มันมันมีหลายหลายแบบหลายชนิดด้วยกันที่เราเรียกว่าบุญบุญในพุทธศาสนานี่มีอยู่10ชนิดการทําความดีในพระพุทธศาสนานี้มีอยู่10ชนิดชนิดแรกเรทานการเสียสละแบ่งปันสองศีลการไม่เบียดเบียนการไม่ทาบา สภาวนาการฝึกจิตให้สงบให้ฉลาด 4. การอุทิศบุญ 5. การร่วมอนุมโมทนาบุญ 6. การอ่อนน้อมถ่อมตน 7. การรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้แปดการมีความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงแล้วก้ การฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการทําความดีสิทการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี่คือการกระทําความดีของพระพุทธศาสนามีอยู่สิบประการด้วยกันคําถามจะคุณรัต ด, ดา อ, อีกสักข้อไหมครับพระอาจารย์แล้วก็ให้รับของก่อนไหมครับได้เนะนะครับอจาะคุณรัต ด, ดานะครับอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ผู้ตายจะได้รับส่วนกุศลจริงไหมคะ ก็ขึ้นอยู่กับฐานะของผู้รับว่าเป็นผู้ที่ยากจนหรือเป็นเศรษฐีถ้ามีบุญติดตัวไปกไ็ไม่รับเพราะว่าบุญที่ส่งไปนี่มันเหมือนเงินให้ขอทานถ้าเป็นเศรษฐีส่งเงินขอให้ขอทานไปเขาก็ไม่รู้จักไปทําอะไรแต่ถ้าเป็นขอทานมันก็เป็นประโยชน์เอาไปซื้อข้าวกินได้อย่างน้อยก็มือ้อสองมื้อก็อยังดีเพรนั้นบุญที่อยู่ที่นี้มันเป็นบุญที่เป็นบุญที่น้อยมากเหมาะกับพวกขอทาน พวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปที่เราเรียกวพวกเปรนี่เป็นพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยต้องมารอรับส่วนบุญส่วนพวกที่ทำบุญนี่ก็มีบุญติดตัวไปเขาก็เป็นพวกเทวดาเขาก็ไปอยู่โรงแรม5้าดาวไปไปเที่ยวในระดับ5าดาวาก็ไม่ต้องมาขอขอรอรับบุญของใครเดี๋ยวจะให้พรก่อนดีกว่านะแล้วค่อยก็ยรับของต่ออีกที เผื่อใครที่ได้ถวายของแล้วอยากจะกลับก็ไปได้มีคำถามเข้ามาอีกไหมมีครับอาจารย์วันนี้เยอะดีนะตอบเยอะมากอะไรชดชดชเชยวันก่อนครับคำถามจากคุณมินนี่นะครับการที่เราเจริญมรณานุสติเป็นประจำคิดว่าตัวเองต้องตายทุกครั้งที่นึกได้ถือว่าเป็นการสั่งสมบุญกุศลไหมครับ เพราะไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานเท่าไหร่เป็นการสะสมปัญญาเป็นบุญขั้นสูงสุดคนที่จะเรียนมานุสติได้ถือว่ามีบา ร, รมีมีปัญญาบา ร, รมีคนที่ไม่กล้าเจริญปัญญานี่ไม่กล้าคิดถึงความตายนี่แสดงว่ายังมีปัญญาบา ร, รมีน้อยคนเราจะหลุดพ้นได้ก็ต้องยอมตายกัน เพราะความตายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือความกลัวตายดงั้นถ้าเราเป็นเจาบ่อยๆเราจะไม่กลัวตายเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายได้คำถามจะคุณมาโนตนั่งแล้วบริกรรมพุทโธวางพุทโธไว้ที่ท้องประมาณ30สนาทีแล้วจิตรวมละคาบริกรรมแล้ว รู้อยู่ที่ท้องถูกต้องใหม่ครับกรุณาอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับถ้ายังรู้อยู่ที่ท้องยังไม่ถูกต้องยังไม่สงบถ้าสงบแล้วท้องต้องหายไปต้องอยู่ที่ตัวรู้ต้องรู้อยู่ที่ตัวรู้เท่านั้นสักแต่ว่ารู้เวลาพุโทโธนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งไว้ที่ท้องให้ตั้งอยู่ที่พุโทโธคําเดียวให้อยู่กับคําว่าพุโทโธไปพอจิตรวมแล้วพุโทโธหายไปตัวรู้ก็จะโผล่ขึ้นมาแทน คำถามจะคุณสุขเคยนั่งสมาธิตอนป่วยดูลมหายใจพุทโธแล้วจิตคิดว่านั่งสมาธิอยู่ที่หน้าพระพุทธเจ้าที่ขยาแล้วจิตก็นิ่งสงบอยู่อย่างนั้นเหมือนตัวเองนั่งอยู่ตรงขยาจริงๆไม่ได้นึกถึงกายที่นั่งอยู่ปัจจุบันเหมือนทิ้งกายไม่รู้สึกถึงความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่นั่งอย่างนั้นเป็นชั่วโมงกว่า จนออกจากสมาธิอย่างนี้เป็นอย่างไรคะก็เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังก็แสดงว่าจิตสงบจิตก็ไม่ไปกังวลกับเรื่องของร่างกายแต่พอออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาถึงจะทําให้ไม่กังวลกับร่างกายถ้าออกจากสมาธิมามาคิดถึงร่างกายก็อาจจะเกิดความอยากให้หายอยากอยากไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าอยากจะให้สงบไม่ทุกข์ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าร่างกายมันต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราดังั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดมันปล่อยมันเหมือนกับตอนที่เราปล่อยในขณะที่เราอยู่ในสมาธิคําถามจากคุณ ช, ชินชินชินยุนแล้วกันนะครับ เหตุการณ์อันคนที่เป็นที่รักเสียไปแล้วเราไม่เสียใจรู้ถึงเหตุแล้วเข้าใจผลคืออะไรครับก็คือว่าเราเห็นว่าคนเราเกิดมาทุกันต้องตายไปเป็นธรรมดาไปเสียใจมันก็ไม่ได้ไปหยุดให้เขาไม่ตายไปหยุดความตายของใครไม่ได้เสียใจไปก็โง่เปล่าๆทุกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรก็แต่โทษกับใจเราทาให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้าเราเห็นความจริงแล้วเรายอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามในที่สุดก็ต้องมีวันตายไปเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นความจริงก็นี่ก็เรียกว่าเหตุถ้าเห็นความจริงเป็นเหตุผลก็คือความสงบ ก, ก็จะตามมาตาจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆคําคถามจะคุณยายยาหากเราให้อภัยและอโหสิรกรรมให้เขาแล้ว แต่เขาอาจจะยังโกรธแค้นเราอยู่แบบนี้จะเป็นอะไรใหมคะเราอาจจะไม่ได้ให้เขาอย่างแท้จริงเลยถ้าเราอยากจะให้เขาอย่างแท้จริงเราต้องเอาขอเอข้าวเอาเงินเอาทองไปให้เขา เ, เราทำอะไรเสียหายให้กับเขาเราก็ไปชดใช้เขาถ้าเราชดใช้เขาได้อย่างเต็มที่เขาก็จะให้โอซิกับเราเองไม่ใช่ไปขอไปตีหัวเขาแล้วก็ไปขอขามาเอาตอกไม้ไปให้ก็พวงหนึ่งวะขอขามาข อ, อาโหสิ พอแล้วฉันต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณไม่ช่วยค่าใช้จ่ายบ้างเลยใช่ไหมถ้าช่วยค่าใช้จ่ายค่าทําขวัญเนื้อ5่าอะไรให้เขาก็ เ, าเขาก็จะเอาโหสิให้ไม่ใช่อาโหสิแต่ปากนี้มันไม่ได้หรอกมันต้องอาโหสิด้วยการกระทําเราทําความเสียหายให้กับใครแล้วเราต้องไปชดใช้ความเสียหายนั้นให้มันคุ้มกับความเสียหายของเขาเขาก็จะอาโหสิให้เรา ตอนนี้คำถามยังไม่มีเข้ามาเพิ่มครับอาจารย์ได้ขอพักเดี๋ยวคำถามมันเยอะแล้วเ<ม>าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะได้เลิม ก, ก่อนทั้งหลายก็ดได้ครับอาจารย์มีใครอยากจะถามไหมแถวนี้ถามว่าม า, าที่อาจารย์ยังมองนานุสติครับผมไม่ค่อยเข้าใ จ, รจาใครับอาจารย์ให้นึกถึงความตายอยู่ด้วยว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดา อาจจะตายวันนี้ก็ได้ตายพรุ่งนี้ก็ได้ตายปีหน้าก็ได้ไม่มีใครรู้ให้เตรียมตัวไว้อย่าไปยึดไปติดกับร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นคนขับรถร่างกายเป็นเหมือนรถรถมันต้องเสียต้องพังก็ปล่อยมันเสียมันพังไปซ่อมมันได้ก็ซ่อมไปซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งมันไปอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับความตายทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยควรจะพิจารณาตลอดเวลา ตอนนี้ก็พิจารณาได้ เ, เดินทำอะไรกินอะไรอยู่ก็พิจารณาได้กินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วเว้ยให้คิดอย่างนี้แล้วอีกคำถามต่อไปครับอย่างการพิจารณาอาริยังคุขังอนันตตาเนี่อเราสามารถที่พิจารณาได้ตลอดเวลาตลอดเวลานอกจากเวลาอยู่ในสมาธิเท่านั้นถ้านั่งสมาธิจิตสงบไม่ไ ม, ไม่ไม่พิจารณาเพราะตอนนั้นจิตไม่คิดอย่าไปพิจารณา แต่เอาจากสมาธิมาแล้วคิดได้ตลอดเวลาคิดว่าเราต้องตายคิดว่าเขาต้องตายคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีมามีไปมีเกิดมีดับไม่ใช่ของเราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเย็นจะสบายบจะไม่โลภจะไม่อยากได้อะไรจะไม่กลัวอะไ ร, คร เ, เคยขับรถแล้วผมมโหอะไรอย่างนี้ กลับมาที่ลงหายใจอะไรของตัวเองอะไรก็ได้ก็ ไ, ได้อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโมโหโเอพอไม่คิดเดี๋ยวมันก็หายไปครับคำถามต่อไปครับเอย่างเจ้าจังว่าให้เข้าสมาธิให้ได้สงบให้ได้อปนานสมาธิอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ควรทําบ่อยๆใช่ไหมครับทให้ ม, กมากทําให้ชํานาญก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปเพราะถ้ามีความสงบมากๆจะ จะใช้ปัญญาตัดกิเลสได้ถ้าไม่มีความสงบ ม, มีปัญญาแต่ก็ตัดมันไม่ได้ไม่เกันไรเดี๋ยวนึกออกก็ค่อยถามก็ได้ไ ม, ม, ม, ม, ม่เข้ามาไหมยากครับอาจารย์ก็ดีก็ถามต่อครับเราควรจะดูความอยากของเราให้ใหเห็นหคือพอมันเกิดความอยากเราต้องหยุดมันนนั้เราต้องเห็นโทษของความอยากว่า นำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไป น, นำไปสู่ความสงบอย่างผมเวลานั่งนี่ยพยายามสังเกตดูความอยากว่าตัวเองอยากจะดูอะไรไหมพอรู้ว่าจะไปดูอะไรยพยายามเข้ามาให้อยู่กับไม่อยากาแล้วก็ดูนิ่งๆอยู่<อ>ให้อยู่เฉยๆให้ไ ด, ได้อย่าไปอยากทำอะไรอย่าไปอยากดูอะไรนอกจากทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่จาเป็นต้องทำเท่านั้นแต่ไม่ได้ทำด้วยความอยากพอเรายังมีหน้าที่ต้องทำเราอยู่ก็าทาไป เป็นยังต้องทํางานก็ทําไปยังต้องกินข้าวก็กินไปยังต้องหายใจก็หายไปอย่างนี้เป็นหน้าที่ไม่เป็นไรอย่าไปทําตามความอยากข้อต่อไปครับอการให้จิตอยู่ข้างในในของเขตของร่างกายเรารับรู้อะไรประมาณนี้อันนี้ถือว่าเป็นการทําสมาธิได้เป็นการฝึกสติเป็นสติให้ตื่นใ ห, ใ ห, ให้ให้ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับร่างกาย เวลานั่งมันจะได้สงบได้แล้วคนจ ะ, จะตื่นตลอดเวลานั่งเนี่ยคนจะไม่หลับคนจะตื่นเข า, เาต้องรู้สึกตัวตลอดเวลานี่คือสติใช่ไหมนนะอาสติเข้าใจนะสลับครับเข้าใจครับส่วนพวกการดู ท, ทีวีอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่า อ่ามันเป็นปัญหาที่คืออ่าเป็นเป็นความอยากไม่ควรจะดูใช่แล้วก็มันไม่จะเก็บไว้ในใจขจงเาแล้วน่ามันออกเราก็จะติดพันจะติดพันด้วยเวลาไม่ได้ดูก็จะหงุดหงิดนองพานใจอ่าทัี่คืออะต่อการปฏิบัติเราอ่าต้องหยุดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายไปให้หมดอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากเล่นอะไรเงี้ยให้จิตจะได้สงบจะได้สบายไม่วุ่นวาย มีเข้ามาแล้วครับอาจารย์ถามอีกสักสองสามข้อดีไหมครับอาจารย์พับเราลยดีนะครับคาถามจากคุณเลิฟนะครับส ul> ิ่งที <t <t <t ่สำคัญในการเจริญเมตามีหลักอะไรที่ช่วยให้ใจเราสามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องด้วยใจที่มีเมตตาจริงๆก็คิดเห็ว่าเขาเราคิดว่าถ้าเราให้ความสุขกับถ้าเราให้ความสุขกับเขา เป็นเหมือนกับเวลาที่เขาให้ความสุขกับเราเวลาใครให้ความสุขกับเราเราจะรู้สึกดีใช่ไหมังนั้นการเมตตาก็คือการให้ความสุขกับผู้อื่นเราให้ความสุขกับผู้อื่นก็จะทำให้เราได้รับความสุขนั้นด้วยเพราะเวลาเราทำให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขเวลาเราทำให้ผู้อื่นเขาทุกข์เราก็จะทุกข์ไปด้วยเราก็จะไม่สบายใจ ให้เขให้เราคิดถึงว่าโอ้โหอกเขาโออกเราว่าทุกคนไม่ต้องการความทุกข์กันทุกคนต้องการความสุขกันความสุขก็เกิดจากการมีความเมตตาต่อกันความปรารถนาดีต่อกันแล้วก็จะทาให้เราอยากจะมีความเมตตาต่อกันละกันคําถามจากคุณแบงก์การถวายสังฆทานเวียนในวัดกับการซื้อสังฆทานใหม่มาถวาย ได้บุญเท่ากันใหม่ครับสาหรับผู้ถวายเท่ากันทางวัดก็อาจจะมีของพวกนี้ซ้ำซากเยอะเยอะเหลือเกินถ้ารับมาก็มีสองทางรับมาแล้วก็เอาไปบริจาคทานต่อหรือไม่งันก็มาทำสังฆทานเวียน<ม>ก็จะได้มีรายได้เข้าวัดไปสำหรับอาจจะเอาไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นแทนเช่นอาจจะขาดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆที่ไม่มีคนถวายก็จะได้เอาไปใช้ในทางนั้น เราไปสร้างกุฏิใหม่หึกไปซ่อมแซมกุฏิอะไรต่างๆซึ่งยังต้องใช้เงินทองอยู่แต่ญาติโยมนุษถูกสอนให้ถาวายแต่สังฆทานอย่างเดียวก็เลยมีแต่กระแป้งเหลืองเต็มวัดเป็นหมด <c oughs> <c oughs> เวลาหลังคาลั่วก็ต้องเอากระแป้งเหลืองมาลองม า, มาลองนะ้ <c> ํา <oughs> ถ้าถาวายเงินซ่อมบํารุงวัดบ้างแทนถาวายกระแป้งนี่มันก็เวลากุฏิเสียหายจะได้มีเงินซ่อมกุฏิกันนั่นจะไปว่าพระ ผิดก็ไม่ถูกเพราะถ้าท่านทําด้วยเจตนาบริสุทธินะไม่ได้ทําด้วยความโลภอยากจะได้เงินนะเพียแต่ทำเพราะว่ า, วายัางต้องเอาเงินนี้ไปทําอย่างอื่นที่จําเป็นต่อวัดเช่นเอาไปซ่อมกุฏิบ้างซ่อมอะไรบ้างหรือสร้างกุฏิใหม่หรือทําอะไรต่างๆที่กระแป้งนี้กระแป้งสังฆทานนี้ไม่สามารถเอาไปใช้ทําได้ก็เอามาเวียนเป็นเงินดีกว่านะเอาไปเป็นเวียนเป็นเงินแล้เอาเงินนี้ไปทําประโยชน์ต่อไป เป็นเพียงกุศโลบายให้รู้สึกว่ายอมได้ถวายของเท่านั้นใช่ไหมก็ยอมอยากถวายก็แปลงนั้นก็แล้วบางทียอมบางคนก็ขี้เกียจมาถึงวัดก็จะมาขอให้วัดจัดให้ก็มีเพราะเคยไปวัดที่เขาจัดให้เราอยากจะทําสังฆทานก็เลยวิ่งมาวัดเลยไม่ต้องว่าจอดซื้อตามร้านให้เสียเวลาพอมาถึงวัดวัดเขาก็มีจัดสังฆทานรอไว้แล้วก็เพียงแต่จ่ายเงินแล้วก็เอาสังฆทานนี้ไปถวายพระพระเสรเจก็เอาพระเอาสังเอาเอาแปรงนี้มาให้กับคนขายแล้วก็เอาเงินไป ก, กเปกปลนัไคำถามจากคุณนามนนะครับสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิจำเป็นไหมคะที่ต้องนั่งตรงหน้าพระพุทธรูป อ, อ๋อไม่จำเป็นหรอขอให้นั่งที่สงบตรงที่ไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆไม่มีเสียงกึดอักึกก้อไม่มีอะไรต่างๆมาลบกวนการนั่งการสวดของเราคำถามจากคุณเล็กนะครับขอเรียนถามว่าพิจารณาความตาย เรื่องลมหายใจถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายมีแค่นี้เองไม่ต้องกลัวตายรีบภาวนาเมื่อตายก็จะไปดีใช่ไหมครับใช่ใจสงบไปอย่างสงบก็ไปดีไปสู่สุคติขั้นสูงสุดก็ไปถึงพระนิพพานเลยถ้าไปด้วยความกลัวก็ไปเป็นผีถ้าไปด้วยความโลภยังอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่ันก็จะไปเป็นเปรต คำถามจากคุณนุเวลานั่งขาขวาทับขาซ้ายรู้สึกปวดหัวเขา่าหนูเลยลองใช้ขาซ้ายทับขวารู้สึกนั่งได้นานกว่าจะเป็นไรไหมคะก็ไม่มีอะไรที่ห้ามเองแต่เขาก็มีสูตรตายตัวว่าขวาทับซ้ายจนเราจะไปซ้ายทับขวาก็เรื่องของเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราถนัดซ้ายก็ได้คนถนัดซ้ายอาจจะต้องใช้ซ้ายทับขวาก็ไม่มีไม่มีสูตรไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด คำถามจากคุณวราวุธนะครับจิตผมปกติหรือเปล่าที่บางเวลาที่ผมไปในสถานที่บางแห่งซึ่งไม่เคยไปมาก่อนแต่พอเห็นเหมือนกับได้พบเห็นมาก่อนก็ไม่แน่อดิตชาติอาจจะเคยมาที่นี่มาก่อนก็ได้แล้วพอตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็พอมาเจอที่เก่าก็ทำให้มันจำได้ว่า เ, เราเคยมาที่นี่อย่างนี้เป็นต้น